พคุยกับชาวคณะสาธารณสุขก็ต้องคุยกับเรื่องความสุขก็จะมีเรื่องความสุขมาพูดคุยสู่กันฟังเพราะว่าเรื่องความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาชีวิตเรานะมีกายกับใจความสุขท่าท่าร่างกายก็คือไม่มีโรคภยครัยไข้เจ็บเบียดเบีย น, ยนมีความสบาย อันนี้ปัญหาร่างกายไม่เกิดขึ้นส่วนความสุขสนานจิตใจนั้นก็คือจิตที่เป็นปกติมีสัมมาทิฏฐิอาศัยภาษาพระเลยนะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเนี่ยสองอย่างเนียถ้าร่างกายเป็นปกติไม่มีร่อยไปขัเจ็บเบียดเบียนจิตใจมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องรักษาใจใเป็นปกติแล้วก็ชีวิตจะมีความสุขสมบูรณ์แบบ ถ้าชีวิตมีความสุขแล้วผลที่ตามมาก็คือการงานก็ดีมันจะสมบูรณ์ทั้งหน้าที่การงานด้วยแต่ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นบางคนเนี่ยร่างกายมีความสุขไม่มีปัญหาแต่จิตใจยังไม่สุขบางท่านก็ร่างกายมีปัญหา สุขภาพร่างกายไม่ดีแต่จิตใจดีบางท่านนี่ทุกทั้งกายทุกทั้งใจเราอยู่ในประเภทไหนอันที่จริงแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตสองอย่างเนี่ยเขาสืบเนื่องกันเขามีผลต่อนเนื่องกันมีความสัมผัสสัมพันธ์กันแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยสุขภาพจิตเนี่ยสําคัญกว่า ที่บอกว่าอะไรจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานสําเร็จแล้วด้วยจิตถ้าเราเลือกนะถ้าจะให้เลือกนะระหว่างสุขภาพกายสุขภาพจิตเนี่ยเราควรจะเลือกสุขภาพจิตเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นผู้ที่รับรู้เรื่องความสุขและเรื่องความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายเคยสังเกตไหมบางคนที่ร่างกายแข็งแรงดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ใจเขา มีความวิตกกังวลนอนไม่หลับเป็นโรคเกล็โรคประสาทเครียดผิดหวังเรื่องความรักผิดหวังเรื่องครอบครัวผิดหวังเรื่องหน้าที่การงานการศึกษาเราเรียนเขาจะหาความสุขได้ไหมไม่ว่าร่างกายเป็นปกตินะร่างกายยังดีอยู่นะแต่ใจเนี่ยมีปัญหารับรองจะไม่มีความสุขแน่ไม่มีชีวิตชีวาเช่นคนหนุ่มคนสาวเห็นไหม หนุ่มสาวแลนะ้วร่างกายดีมากแต่ถ้าจิตใจมีปัญหาจิตวิปลตแล้วก็เขาจะสร้างปัญหาสังคมแล้วคนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทไปดูเถอะร่างกายแข็งแรงทั้งนั้นอีกว่าเพศหนึ่งก็คือคนที่มีร่างกายที่ทุดโทรมโรคไปแค่เตียบรุมเร้ามากอย่างเช่นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยคนพิการอย่างเงี้ยดูแล้วชีวิตไม่น่าจะหาความสุขได้ แต่ถ้าใจเขาดีเขาก็มีสิทธิ์จะเป็นสุขได้แม้ร่างกายดูแล้วไม่น่าจะมีความสุขอย่างนี้ว่าแสดงว่าจิตใจเนี่ยสำคัญกว่าแต่ถ้าจะดีทั้งสองอย่างก็ดีนะทั้งกายทั้งใจก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าให้เรื่องเนี่ยจิตใจไว้ก่อนใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานกระบีอยู่ที่ใจแต่คนสมัยนี้นี่เขามักจะเลงถึงเรื่อง สุขภาพกายเป็นสำคัญทำร่างกายให้ดีไว้ก่อนจิตใจเนี่ยไว้ทีหลังนะอย่างนี้รับรองจะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เขาคิดว่าเมื่อกายดีแล้วใจจะดีด้วยมันไม่แน่เสมอไปบางคนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายได้ป่วยแต่ใจเนี่ยป่วยหนักกว่ากายเคยสังเกตไหม จิตใจใป่วยหนัา ก, กายบางทีซ้ำเติมให้กายป่วยหนักก็อีกป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจพระเจ้าเนี่ยท่านตรัสไปว่าอะโรคยาปรมาลาพาความไม่มีโรคเป็นลาภอันตรเติาทุกคนควรได้ยินนะตีนบ่อยๆเป็นพาสิตโล่อๆแต่ว่าพระองค์ทรงเน้นเรื่อง สุขภาพจิตเป็นเรื่องสําคัญโรคทางจิตเรื่องสําคัญโรคทางจิตนี่แหละถ้าใครไม่มีได้เนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐโรคทางจิตคืออะไรคือโรคของกิเลสนะราคะโทสะโมหะเนีย่ยเป็นโรคอย่างยิ่งราคะคือความกําหนัดยินดีเมื่อได้ประทบกับ สิ่งที่มาทางตาเท่นรูปเสียงทั้งหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นสัมผัสทางด้านร่างกายและจิตใจที่นึกคิดในสิ่งที่ทำให้กำนักยินดีเรียกว่าราคะถ้าปรสศจากราคะแล้วแล้วก็สุขภาพจิตดีนะไม่เป็นโรคกันคือโทสะ คือความโกรธความหงุดหงิดอึด อ, อัดขัดเคืองเบือ่อกลุ้มเส้งเหงาเนี่ยอันนี้คือฝ่ายของโทสะถ้าไม่มีตัวนี้แล้วก็ชีวิตจะยืนยาวอีกงานนี้ก็คือโมหะคือความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นทำใจให้เป็นทุกข์นี่หละคือโรคอย่างยิ่งคือโรคทางด้านจิตใจส่วนโรคทางกายเนี่ย ทุกคนเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่พ้นยังไงก็ไม่พ้นเราเกิดมาเนี่ยวันแรกเราก็มีโรคประจำตัวเลยรนกระทั่งทุกวันนี้นะเดี๋ยวนี้ก็มีทุกท่า น, นผมก็มีนะมีโรคเหมือนกันหมดโรคอะไรทราบไหมใครตอบได้ไปนิพพานเลยนะ <laughs> โรค S <S <S เสื่อมเสื่อมไหมวันแรกเกิดมาหนึ่งวันเนี่ยท่านเสื่อมไปแล้วหนึ่งวันเราจะตอบว่าวัยเท่าไรวัยหนึ่งขวบไวัยแปลว่าเสื่อมนะวัยยะแปลว่าเสื่อมอย่าภูมิใจโอ้โนี่เราวัยสามสิบโอหนั่นนั่นท่านเสื่อมไปสามสิบแล้วรู้ไหมวัยแปลว่าเสื่อมแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีวัยอยู่นะ และพร้อมจะเสื่อมทุกวินาทีร่างกายคือก้อนเสื่อมถูกไมเพอเสื่อมลงที่สุดนี่มันก็แตกทำลายอันนี้เป็นสัจธรรมทุกท่านนี่พกติดตัวมาอยู่แล้วหนีไม่พ้นการที่เราต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายนั่นคือการเสื่อมของเราเพราะนั้นจงภูมิใจในความเสื่อมของเราแล้วเราจะไม่มีทุกข์ ร่างกายหนีไม่พ้นพ้นได้ไหมพ้นไม่ได้พระพุทธเจ้าก็พ้นไม่ได้ผู้บรรลุธรรมก็พ้นไม่ได้แต่โรคทางจิตเนี่ยพ้นได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ด้วยพบชาติเนี่ยพ้นจากโรคทางจิตได้ถ้าพ้นจากโรคทางจิตได้แล้วก็กายจะเสื่อมวัละหลายหครั้งเนี่ยไม่มีปัญหาทุกทางกาย จะเป็นโรคอะไรก็ตามจะแก่จะเจ็บจะตายจะไม่มีผลต้องด้านจิตใจเพราะจิตนี่รู้แจ้งแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเห็นไหมโรคทางกิตที่พ้นได้นะซึ่งพระเจ้าท่านทําเป็นตัวอย่างมาแล้วแล้วก็มีสาวกมากมายแม้ร่างกายต้องจะค่ได้ป่วยกระทั่งมรณภาพไปแต่ใจก็ไม่เป็นทุกข์ยิ้มตายได้ เรียกว่าจิตเหนือกายไปเลยเพราะนั้นเวลาเราจะไข้ได้ป่วยเนี่ยใครก็ตามเวลาป่วยกายเนี่ยใจมักจะป่วยด้วยนะที่จริงควรจะรักษาจิตก่อนนะเพราะมีเหตุผลเวลาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมว่าจิตต้องรักษาก่อนรักษาก่อนจะไปโรงพยาบาลได้ทำไปก่อนจะกินยาทาใจที่เป็นซองเป็นเม็ด กินยาทาใจในใจสะก่อนถ้าเรารู้ว่าอ๋อความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาคนอื่นก็ป่วยเหมือนเราทั้งนั้นโลกไปก็เจ็บเรื่องธรรมดาแค่รู้ว่ามันเป็นธรรมดาเท่านั้นเองใจมาเรื่องสบายแล้วนะบางทีไม่ต้องไปหาหมอก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมมันต้องรักษาใจก่อนพอใจดีแล้วแล้วมันก็จะช่วยแก้ปัญหาทางร่างกายได้ บางท่านปวดฟันปวดฟันแต่ปวดใจด้วยนะเป็นทุกทาไมเราจึงปวดฟันไม่ไดนะ้ไม่ได้ไปหาหมอนะแต่ใจนี่เป็นทุกข์แหละแต่ถ้ามันที่ถ้าทําใจได้เนี่ยอาการปวดฟันจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วค่อยๆทําใจเป็นปกติไปหาหมอซะก็หมดปัญหามันที่ต้องมีทุกข์ซะก่อนแล้วไปหาหมอซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้น แล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรคภยครัยไข้เจ็บเนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ใจที่คิดจะทํำยังไงดีเนี่ยงานก็ยังไม่เสร็จลูกใครจะเลี้ยงถ้าเราเป็นมากก็นี่ทํำยังไงมันเวรกรรมแลไรของเราโซ้ําเติมทางจิตไม่ช่วยรักษากายแล้วซ้ำเติมจิตให้กายมันเจ็บต่ออีกใช่ไหมอันเนี้ยไม่ได้รักษาจิตถูกโรคจิตลุมเราเคยไหมเวลาป่วยนิดเดียวเนี่ย โอ้โหใจมันปรุงแต่งไปมากเลยเยพยาบาลถือเข็มมายังไม่ทันฉีดยาเลยโอโ้ใจมันคิดไปมากมาเจ็บอย่างงาู้นเจ็บอย่างนี้ที่จริ ง, รงไม่ได้ฉีดเราฉีดเตียงข้างข้างเพราะใจเนี่ยมันปรุงแต่งมากเพราะฉะนั้นผมว่าใจเนี่ยน่าจะต้องรักษาก่อนโรคกายบางทีรักษาใจแล้วเนี่ยบางทีกายก็รักษาแล้วโรคมันหายไปก็ได้แต่คนทั่วไปเนี่ยมุ่ง ที่จะรักษาทางกายมากกว่าผมเองก็เช่นเดียวกันนะเมื่อก่อนก็ไม่เคยเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาไม่เข้าใจเรื่องธรรมะไม่เข้าใจเรื่องจิตหาใจตัวเองไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนถ้าเราพิการตั้งแต่กาเนิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความทุกข์มากเพราะเราเกิดมาเนี่ยเจอความพิการเลยจิตมันปรับตัวได้มันเคยชินกับความพิการ ตอนนี้เราใช้ชีวิตที่เป็นปกติมา24ปีอายุ24เรียนจบใหม่ๆกำลังทำงานเห็นตอนนี้มีใครอายุ24บ้างนะักข่าย44บ้างวัย44นะ24ปีนะนะร่างกายมันพิการแล้วใจมันจะทุกข์ขนาดไหนไม่เข้าใจเรื่องจิตใจดูแต่ร่างกายเราไม่น่าเลย ทำไมเราจึงเป็นอย่างนี้เวรกรรมอะไรของเราตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราต้องพิการไปตลอดชีวิตโอ้โหพูนี้จะทำยังไงคุณพ่อคุณแม่จากไปจะอยู่อย่างไรมันคิดปลุงแต่งลืมความพิการแต่ใจนี่เป็นทุกข์มากการทางกายและพิการทางจิตใจเลยมันก็ไม่เหลือเร่อหมดเนื้อหมดตัวแต่ยังไม่หมดกิเลสนะหมดเนื้อหมดตัวไปกับความที่เป็นทุกข์เลย แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคิดแก้ไขวิธีการรักษาก็คือเริ่มจากรักษาแพทย์แผนปัจจุบันขอเล่าถึงย้อนอดีตนิดนึงเพื่อประกอบในการพูดถึงเรื่องแพทย์แผนต่างแพทย์ทางเลือกแล้วก็จะมาเข้าสู่สมาธิบาบัดรักษาแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลกลางของกทมหมอรักษาโดยการ เอ็กซเรย์ ray, แล้วก็เห็นว่ามันมีกระดูกที่มันหนะักที่ต้นคอระดับห้าเนี่ยนะเขาก็ตัดสินใจว่าผ่าตัดสองแห่งคือผ่าตัดที่กระดูกเชิงการด้านซ้ายเนี่ยเลาะเอากระดูกเลาะเอามานิดนึงิงแล้วมาต่อกระดูกต้นคอผ่าสองแห่งตัดตรงนี้มาต่อตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ทกํากายภาพบาบัดอยู่โรงพยาบาล ประมาณเกือบสี่เดือนก็ดีขึ้นเหมือนกันนะเริ่มขยับขยื่นได้บ้างเสร็จแล้วหมอก็นแนะนาเรื่องการใช้ชีวิตของคนพิการแนะนำเรื่องระวังเรื่องแผลกดทับระวังเรื่องโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากทางปอดทางกระเพาะอาหารแล้วก็ระวังเรื่องอาหาร เรื่องน้ำทุกอย่างคุณหมอคุณอวิทย์จะสอนพยาบาลก็สอนบอกวิธีการให้ได้ความรู้ได้วิธีการปฏิบัติตัวเองแต่ว่าร่างกายไม่หายนะและจิตใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่มีประโยชน์แพทย์ันปัจจุบันแต่เราก็ยังเป็นทุกข์อยู่ต่อมาก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็คิดที่จะไปรักษา แผนโบราณดูบ้างแผนไทยแผนไทยแผนโบราณคุณแม่ผมเนี่ยหอบผิวที่รักษารักษาอยู่ตามสถานที่ต่างๆใช้วิธีการบีบนวดก็ช่วยได้นะบีบนวดเนี่ยช่วยคลายเส้นที่มันยึดลมในกระเพาะอาหารมันก็ดีขึ้นนะไม่ค่อยอืดไม่ค่อยแน่นกล้ามเนื้อที่มันรีบลงไปอย่างเงี้ยมันก็สามารถ คองตัวขึ้นมาได้เริ่มมีกล้ามเนื้อบ้างหมอจะให้บีบนวดแล้วก็ประคบสมุนไพรแล้วก็มีการทานยาหม้อสมัยก่อนเรียกยาหม้อนะอันนี้คือสมุนไพรทานยาหม้อสารพัดอย่างจะขมจะหวานจะเปรี้ยวจะกื่นไม่กลัวาทานทั้งนั้นถ้ามันหายยาถ่ายนี่เป็นประจําแล้ววิธีการรักษานี่ยไม่ใช่รักษาแปดวันสองวันนะรักษาเป็นเดือนเป็นปี เวที่ว่าเอาเสือเอาหมอนไปนอนกับหมอเลยเ ป, ป็นปีๆก็มีนะ้วหอบเสือหอบหมอนไปนอนอยู่กับหมออยู่กันแบบครอบครัวเดียวกันทานอาหารด้ยวยกันและหมอชาวบ้านเนี่ยขอชมเชออย่างหนึง่งอัธยาศัยดีมากไม่มีแบ่งชั้นวรรณะให้ความรักให้ความเป็นกันเองจิตใจมันก็รู้สึกว่าคุ้นเคยหมอชาวบ้านเนี่ยคุ้นเคยกันดีนะ แต่หมอลรงไวาบาลเนี่ยเ <c oughs> ไม่ค่อยคุยนเคยกับเราบมงทีก็ไม่ค่อยคุยกับเราท่านก็ช่วยดีหมอชาวบ้านแล้วก็ออย่างหนึ่งคือว่าได้ความรักแต่จิตใจเนี่ยมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ร่างกายมันก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ทั้งสองแผลเลยใช้ไม่ได้เลยแผลปัจจุบันแผลโบราณผมรักษาแผลโบราณมาถึงห้าปีรถน้ำมนัน <c oughs> เข้าทรงสดะดาะเคาะต่อชะตาดูหมอให้หมอดูมัง่งดูหมอลองสารพัดอย่างหมดสงสัยเรื่องไสยศาสต ร, ร์มันช่วยทนัดจิตใจรู้รล้ว่าไสยศาสต ร, ร์ช่วยได้จิตใจไม่มีอำนาจทำให้เราหายจากความทุกข์ได้ในสุลึกใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่สองแผนนี่ใช้ไม่ได้เลยสหรับ คนพิการมีระดับอย่างเราก็เลยกลับมาอยู่บ้านที่นครสวรรค์โดยที่ไม่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยหันมาสนใจแพทย์แผนใหม่อันดับแรกคือแพทย์แผนปัจจุบันนะต่อไปแพทย์แผนทางเลือกคือเลือกที่จะรักษาแบบสมุนไพรเนี่ยอันนี้คือแพทย์แผนใหม่อันนี้เป็นแพทย์ทางรอดคือรอดจากความทุกข์ผมเรียกว่าแพทย์ทางรอดเนี่ย คือมาสนใจธรรมะอาศัยธรรมะโอสถรักษาจิตใจดูบ้าง<ม>ร่างกายนี่ใครก็รักษาไม่ได้หมอเทวดาก็ไม่เจอลองมารักษาจิตใจดูอาศัยธรรมะโอสถนี่<ม>ก็ได้รู้จักกรลุพ่อคำเขียนสุวรรณโอที่อยู่ที่วัดป่าสุกโตจังหวัดชายภูมิรู้จักท่านทางหนังสือนะ มีคนแนะนําก็เขียนจดหมายอยากจะพ้นจากความทุกข์ทางด้า น, นจิตใจให้ท่านได้บอกวิธีการปฏิบัติธรทำให้มันพ้นทุกข์ในชาตินี้เบื่อและเกินเรื่องความทุกข์ท่านก็แนะนําบอกว่าไม่เป็นไรหรอกการที่เราจะปฏิบัติทมเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยไม่ยากถ้าเรามีความตั้งใจมีศรัทธาเราก็ไม่ยากให้เรามาเจริญสติ ให้ฝึกสติอยู่ที่บ้านนะผมไม่ได้เริ่มต้นที่วัดนะเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมที่บ้านอยู่วยกันมีพ่อมีแม่มีผมสามคนอยู่ที่บ้านจังหวัดคนครสวรรค์ท่านสอนธรรมะทางจดหมายให้ผมเจริญสติการทำกรรมฐานเนี่ยจิตมันจะไม่นิ่งหรอกหลายใครพอเริ่มทาแล้วนิ่งเลยบ้างมันจะไม่นิ่งนะมันจะคิดตามธรรมชาติของมันจะคิด เวลามันคิดไปเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรนะเรารู้ว่ามันคิดเรารู้ใช่ไหมเราได้ทำแนละ้วมันคิดแล้วก็ทิ้งความคิดนะและกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวเนี่ยเอากายเนี่ยเป็นหลักนี่หลักการทางกรรมฐานต้องมีหลักในการฝึกจิตรู้สึกที่การเคลื่อนไหวใช่ไหมเวลามันคิดไปก็รู้ว่ามันคิดแล้วกลับมารู้สึกอันนี้คือกรรมฐานต้องมีหลักเขาไม่ใช่ห้ามแม่มันคิดนะ ไม่ใช่ห้ามมาห้ามคิดห้ามง่วงมันคิดมันง่วงถูกแล้วแต่เราขอให้กลับมาถ้าใครไม่คิดเนี่ยคือคนตายใครไม่ง่วงเนี่ยผิดปกติธรรมดาแต่เราก็กลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวใช่ไหมเอาจิตหรือสติเนี่ยเกาะไว้ที่กายให้จิตอยู่กับกายไว้จึงเรียกว่ากรรมาฐานกายคือฐานที่ตั้งกรรมคือการกระทำอยู่ในตัวเราทาั้งนั้นเลยสติเกาะไว้ ทำไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยดี๋ยจิตมันจะสงบเมื่อจิตมันสงบไม่ใช่จบการปฏิบัติจิตสงบเราก็รู้ว่ามันสงบเห็นไหมสงบก็รู้เราไม่ไปยึดติดในความสงบไม่ยึดติดเพราะว่าความดับทุกข์หรือความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเนี่ยไม่ใช่แค่สงบอย่างเดียวนะต้องรู้ในความสงบรู้สึกตัวมันสงบแล้วขยันรู้สึกไว้ ขยันรู้สึกเรื่องว่าการภาวนาได้ยินเขาว่าภาวนาไหมภาวนานี่ยไม่ใช่นบนพื้นปัมนะ๊มหน้าพุทโตพุทธโตยุบหนอพองหนอไม่ใช่ภาวนาคืออะไรคือขยันรู้สึกทําให้จิตมันเจริญเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าเจริญพร่างกายก็ตามอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยทํางานขนาดนี้แล้วยังไม่เจริญเปลี่ยนชื่อเป็นภาวนาดูสิภาวนาแปลว่าเจริญ ชื่ดีนะภาวนาเนี่ยว่าจเจริญภาวนาคือการขยันรู้สึกมันคิดก็รู้สึกมันสงบก็รู้สึกให้รู้สึกตัวไวแล้วก็อันนี้คือการปฏิบัติที่ถูกต้องทุกอย่างเลยขอให้รู้สึกตัวทำอย่างนี้แหละผมก็ทาอย่างนี้แหละพอเรามีความรู้สึกตัวมากๆเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันตรงข้ามกับความหลงลืมตัว ความรู้ตัวกับความลืมตัวเนี่ยมันต่างกันนะรู้เนื้อรู้ตัวกับลืมเนื้อลืมตัวเมื่อเรามีความรู้ตัวมากมากเนี่ยความหลงลืมมันก็หายไปได้ตอนนี้มันจะเกิดธรรมะอลไนะเกิดธรรมะในภาธรรมเรียกว่าธรรมวิทยะเกิดธรรมะในตัวเราการเห็นธรรมะนี่ไม่ใช่เห็นนอกตัวนะเห็นสีเห็นแสง เห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพระพุทธเจ้าเห็นเจดีอันนั้นไม่ใช่จริงการเห็นอาจจะเป็นของจริงอาจจะเห็นจริงนะทุกคนอาจจะเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นไม่ใช่ของจริงลองลืมตาดูสิมันมีไหมถ้าลืมตามีแะได้ว่าจริงถ้าลืมตามไม่มีนี่จะได้ว่าจิตมันหลอกแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีจริงกับทุกคนที่ท่านทั่งอยู่เนี่ย เนี่ยรู้ตัวแล้วเนี่ยมันมีจริงแต่ถ้าเห็นสีเห็นแสงเนเทวดามันไม่มีจริงหรอกจิตมันคิดเอาการเห็นธรรมเนี่ยไม่ใช่เห็นสิ่งนั้นเห็นธรรมคือเห็นตัวเรารู้ธรรมะคือรู้ตัวเราใครไม่รู้ตัวรับรองไม่รู้ธรรมอยากรู้ธรรมไหมอ่ะเราต้องรู้ตัว รู้ตัวทําไงทําการเคลื่อนไหวทุกคนลองถูนิ้วมือสิเอานิ้วชี้กับนิ้วหัวมือถูกันเบาๆรู้ตัวไหมสาธุท่านรู้ทำเห็นไหมธรรมะคือก้อนคําเนี่ยคือตัวเราถ้าท่านรู้ตัวเนี่ยท่านจะลืมตัวไหมท่านจะโกรธไหมถ้า น, นึกถึงฟุตบอลไหม ไม่นึเพราะเรามารู้ตัวอยู่ปัจจุบันใช่ไหมเนี่อง่ายๆเนี่ยมันเริ่มรู้จักตัวเราแล้วอันนี้เขาเรียกว่าธรรมาวิทยะเคยยินคํานี้ไหมเคยได้ยิ น, นยยไหมผมว่าเคยก็พูดเมื่อกี้นี่ไงครับ <c oughs> นี่คือการเห็นธรรมในตัวเราเห็นเรื่องตัวเราถ้าเรารู้ตัวบ่อยๆเนี่ยจะเห็นตัวเราไม่เป็นตัวนะเน่ตรงนี้จะเริ่มพ้นจากทุกข์แล้วนะเนี่ย เว่าตัวเราเนี่ยมันแค่ก้อนธรรมชาติมันเป็นรูปเป็นนามได้ไดคำว่ารูปนามไหม <c oughs> รูปคือร่างกายเนี่ยคือรูปนามคือจิตใจที่มันรู้สึกนึกคิดเคือว่ารูปนามแลวก็สมมุติว่ารูปนามเนี่ยมันเป็นตัวเราเพื่อจะทำหน้าที่โดยสมมติในทางโลกมันเริ่มเห็นอย่างนั้นจริงๆนะเห็นตัวเราเนี่ยเป็นเพียงแค่รูปนาม แล้วมันจะเห็นละเอียดกว่านั้นเห็นว่ารูปคือร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างเห็นเรื่องของกายเรื่องของรูปอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันมีความปวดความเมื่อยไหมโอ้อนุโมทนานั่นนั่นเห็นทำเลยนะมันมีจริงไหมเนี่ยปวดเมื่อยเนี่ยมีไหนจับตัวให้ดูหน่อยสิมันมีเป็นอาการของร่างกายเหมือนไหม หลับตาก็มีลืมตาก็มีแต่นิมิตที่เป็นผีสางเทวดานั้นหลับตามีแต่ลืมตาไม่มีแต่ว่าของหลอกลวงของจริงต้องพิสูจน์ได้ทั้งลืมตาและก็หลับตาเห็นร่างกายมันจะค่อยได้ป่วยร่างกายเนี่ยมันเหมือนเด็กอ่อนเนี่ยต้องคอยดูแลมันไปเดี๋ยวมันง่วงเดี๋ยวมันหิวเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันห น, นาวเดี๋ยวมันก็เมื่อยเดี๋ยวก็ต้องเข้าห้องน้ํามันเหมือนคนป่วยร่างกายเหมือนไหม เหมือนผู้ป่วยสารพัดโรคแล้วใครเป็นผู้ที่เห็นน่ะคือจิตใจจิตใจเป็นเหมือนนางพยาบาลเหมือนคุณหมอเฝ้าดูแลร่างกายถูกไหมเวลาหิวเดี๋ยวใจก็อ่าไปเปิดตู้เย็นนะหาอะไรกินซะจิตใจเปียเสมเหมือนหมอหรือพยาบาลดูแลคนไข้เนี่ยพอเราฝึกสติไปแล้วเนี่ยจะเกิดปัญญาตรงนี้นะ เห็นว่าร่างกายเนี่ยคือรังของโลกแล้วก็ดูแลเขาความพิการต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายแต่จิตใจนั้นเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้ดูแลความพิการมาเนี่ยมาลาออกจากความพิการตรงเนี้ยตรงที่เห็นว่าร่างกายเนี่ยก็คือความพิการใจไม่ได้พิการนะใจเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลฝึกสติมากๆเนี่ยจิตมันจะเกิดปัญญามันจะเริ่มเข้าใจในส่วนนี้ ทีนี้เราก็จะเห็นทิศทางของการใช้ชีวิตแล้วสิเริ่มเห็นอนาคตของตัวเองแนละ้วโอ้มีทางรอดออกจากความทุกข์ได้มองเห็นอนาคตเลยอาศัยการจิตสติปฏิบัติธรรมเริ่มต้นนี่แหละมันทําให้เห็นธรรมะพอเราเห็นประโยชน์การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะขยันใช่ไหมอะไรก็ตามถ้าเราเห็นประโยชน์เนี่ยจะขยันเป็นพิเศษทําไมเราจึงขยันทํางานอยากได้รับ ผลของงานเพราะถ้าทําเสร็จแล้วอีกก้อนนี้ น, นี่มันคุ้มค่าใช่ไหมเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นเนี่ยมันจะขยันเป็นพิเศษทําไมคนจึงขี้เกียจปฏิบัติธรรมทาไมคนจึงขยันหาเงินเพราะเห็นประโยชน์ของเงินมากกว่าการปฏิบัติธรรมถ้าเห็นประโยชน์ของธรรมะแล้วก็เราจะปฏิบัติธรรมมากนะทําไมการหาเงินจึงมีโอที ทำไมการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงไม่มีโอทเพราะเราเห็นประโยชน์ของการหาเงินเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ตำหนิเพราะฉะนั้นเราเห็นประโยชน์อะไรก็ตามเนี่ยสิ่งนั้นเราจะขยันและจะพัฒนาผมเองเห็นประโยชน์การปฏิบัติธรรมขยันเป็นพิเศษ <Yeah. S 1> ขยันปฏิบัติถ้าทําได้แล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ถ้าทําไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปทุกข์ไปจนตายมันจึงขยันและมีความกล้ า, าหารกล้าที่จะทํา มีความมั่นใจรู้สึกว่า ม, มันเป็นทางที่เราต้องปฏิบัติเขาเรียกว่าเกิดความเพียรและทุกอย่างที่เราเคยขี้เกียจเคยท้อแท้เนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนมาขยันมักจะช่วยตัวเองเสมอเสมอไม่ค่อยอยากใครช่วยเราอยากจะช่วยตัวเองแล้วทุกอย่างมันเกิดความท้าทายงานอะไรก็ตามถ้าเราท้าทายเนี่ยมีโอกาสพัฒนางานได้เคยท้าทายหมลองท้าทายดูสิ มันจะพัฒนางานนะท่าทายคือทิติมานะแต่อาศัยทิติมานะเนี่ยเพื่อทําประโยชน์ในตัวเราเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เห็นไหมอันนี้คือความกล้ามันจะเกิดความกล้านะเวลาจารตติแล้วเนี่ยมันจะเกิดความขยันเกิดความกล้ามันจะไม่ค่อยกลัวอะไรมันจะมีเกิดความมั่นใจทีนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่นั่งพลิกมือนอนพลิกมือแค่นี้แล้วจะเห็นธรรมะ เริ่มต้นเพียงแค่นี้แต่ต้องทํานานๆนานๆนานๆห น, น, น, น, น, น, น, น, น่อยต้องนานๆ <c oughs> เราทานข้าวคําเดียวมันก็ไม่ยิ่มมันต้องหลายๆคำใช่ไม่มแล้วมันก็จะอิ่มเองก็ทำนานๆเนี่ยต่อเ น, นื่องกันทั้งวันเนี่ยการการปติเนี่ยทำได้ทั้งวันนะถ้าเราลืมตาตื่นเรามีความรู้ตัวเราได้ปฏิบัติแหละจะดื่มน้ําจะทานข้าว จะอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันกับการทํางานของเราเนี่ยนี่เราเป็นการปฏิบัติธรรมง่ายๆแล้วบางคนบอกไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมมีถ้าเราจะปฏิบัติให้เรารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันที่เรากําลังทําอะไรอยู่อันนี้เป็นการจริตสติแล้วสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วจิตมันจะเริ่มมีความผ่องใสพอเห็นธรรมะเห็นทางการปฏิบัติแล้วก็จิตมันจะผ่องใส มันจะเป็นปีติในธรรมจริคงเขาว่าปีติไหมปีติในธรรมเนี่ยกับปิติในการได้รับเงินเดือนหรือได้รับสิ่งตอบแทนเนี่ยมันต่างกันปีติในธรรมเนี่ยมันจะมีความอิ่มเอิบใจเป็นอาหารใจหล่อเลี้ยงจิตใจเรียกว่าอาหารใจคือความอิบอกอิ่มใจมีปีติเนี่ยมันจะเดินไปทางนี้แล้วจิตใจจะจดจออ่อโยกการทำงานเขาเรียกว่าสมาธิ สมาธิแปลว่าจิตตั้งมัน่นต่างกับสตินะสตินี่ลึกได้พอละลึกได้จิตมันก็ตั้งมัน่นพอร่วมือเคลื่อนไหวจิตก็ตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นฝึกสติแล้วมันก็ได้สมาธิด้วย <c oughs> แต่ฝึกสมาธิไม่มั่นใจว่าบางทีก็มาขาดสติก็มีนะเ <c oughs> ชื่อไหมสมาธิอาจทำให้ขาดสติสงบนิ่งดิงไม่รู้อะไรเลยลืม เ, เนื้อลืมตัวงูเรื่อยมาก็ไม่รู้ ใช่ไหมเพราะหลับตานิ่งแต่ถ้าฝึกสติเนี่ยงูเลยมาก็รู้เพราะไม่ต้องหลับตารู้รอบๆ ร, รู้ทุกอย่างจะมีสมาธิร่รวมด้วยอันนี้ขนาดฝึกสติเริ่มต้นนั้นเดินมาอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตมาเริ่มเบาสบายแล้ะมันจะเห็นส่วนหนึ่งของจิตใจของเรามันจะเริ่มเห็นใจของเราแล้วท่านรู้ไหมใจอยู่ตรงไหน หรือไม่แน่ใจว่าเรามีใจหรือเปล่าหาใจไม่เจอเพราะใจเนี่ยเป็นส่วนละเอียดในชีวิตเราชีวิตเรามีกายกับจิตกายในหาง่ายมากรูปธรรมในหาง่ายแต่นามธรรมากับจิตใจในหายากใจอยู่ตรงไหนลองถูนิ้วมือใหม่ที่เมื่อกี้ถูนิ้วมือรู้สึกรู้สึกตัวไหมความรู้สึกตัวเฉยๆเนี่ยคือใจนะ ไหนลองกับพิษตาที่กับพิษตาเล่นรู้สึกตัวไหมใจอยู่ตรงนั้นอ่ะลองพลิกมือเล่นที่พลิกมือพลิกมือหงายรู้สึกพลิมือความรู้สึกรู้สึกตัวไหมใจอยู่ตรงนั้น่ะใจมั น, นมอยู่หลายที่นะแต่ไม่ได้หลายใจนะใจเดียวแต่มันไปนทําหน้าที่หลายแห่งมีใจเดียวคือรู้ถูนิ้วมือก็รู้สึก กรพริบตาก็รู้สึกทิ้กมือก็รู้สึกความรู้สึกตัวนั่นแหละคือใจของเรามันเริ่มเห็นเลยว่าธรรมชาติใจของเราเนี่ยมันเป็นปกตินะใจมันไม่ได้คิดอะไรมันว่างจากอารมณ์ว่างจากความคิดอยู่ก่อนแต่ที่มันเป็นทุกข์เมื่ อ, อไรเพราะว่ามีความคิดที่มันจรมาสู่ใจเราทําให้ใจเราต้องเศร้าหมองขุ่นมัว มันว่ามันห้องเนี้ยก่อนที่ท่านจะเข้ามาห้องเนี้ยว่างอยู่ก่อนนะเขาว่างอยู่ก่อนเหมือนใจเราว่างอยู่ก่อนเราเนี่ยเพิ่งมาทีหลังใช่ไหมมาทําให้ห้องนี้ไม่ว่างแล้วเราก็จะต้องผ่านกลับไปใช่ไหมเราไม่อยู่ที่นี่เลยแล้วก็ไปผมเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้มาที่นหรอกนี่ก็มาแล้วนั่งพูดแขกเด๋ยวขาเอาผมไปเก็บผมก็ว่างจากที่นี่ไปใจก็เหมือนกันมันว่างอยู่ก่อน นี่เราขาดสติคอยคุ้มครองใจเราเนี่ยมันยังปล่อยอารมณ์มาครอบงำจิตใจทําให้เราเป็นทุกข์ใช่ไหมที่เป็นทุกข์นี่เรามันทุกข์อยู่ก่อนหรือเปล่าเป็นทุกข์ควัตจิตมันคิดใช่ไหมนะ <c oughs> นั่งอยู่เนี้ย <c oughs> นั่งไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพอรึกถึงเนี้ยโอ้โหใครจะไปรับลูกเราเนี่ย <c oughs> เอาแล้วว่หาเรื่องให้ใจมันคิดแล้วใครจะไปรับลูกเราวันนี้เรานัดเขาไว้เขาจะมาตามนัดหรือเปล่าอะไรเงี้ย พรจิตมันเริ่มหมาเรื่องให้เป็นทุกข์แล้วเพราะขาสติควบคุมจิตที่อยู่กับปัจจุบันคิดดีเป็นทุกข์ไหมแน่ใจแล้วคิดดีแล้วเป็นทุกข์เคยไหมถ้าเราคิดดีถ้าจิตยังยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าเราปรารถนาคนที่เราลักเขาเนี่ยให้เขาเป็นคนดีแต่เขาไม่ดีที่เราคิดเนี่ยใจยเป็นทุกข์แล้วเราสาแนะนําเขาแล้วแต่เขาไม่เชื่อเรา การแนะนําการพร่ำสอนเป็นเรื่องธรรมดาทําไปเถอะแต่อย่าไปยึดติดว่าเขาจะต้องเชื่อเราเสมอไปใช่ไหมเอาของไปถวายพระก็เคยดูว่าพระจะฉันของเราหรือเปล่าถ้าท่านฉันแล้วก็โอ้เป็นสุขท่านไม่ฉันนี่แม่ของเรานี่ไม่มีค่าเพราะเราทําหน้าที่แล้วใจยังหวังผลนะทำหน้าที่ดีแล้วคิดดีดีแล้วแต่เราไปหวังผลว่าให้ได้ที่เราคิดเนี่ย คิดดีถ้าเรายึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์คนเราเป็นทุกข์เพราะความคิดนะถูกไหมคนเราเทุกข์เพราะความคิดเวลามันคิดขึ้นมาในจิตใจเนี่ยขาดสติไม่เข้าใจความคิดไม่เข้าใจชีวิตตัวเองไปยึดมั่นถือมั่นปล่อยจิตปล่อยใจใเกาะไปกับความคิดข้ามวันข้ามคืน เคยไหมจนนอนไม่หลับคนนอนไม่หลับเพราะความคิดนะคนเป็นโรคจิตโรคประสาทเพราะความคิดไม่เป็นระเบียบนะคนฆ่าตัวตายเพราะความคิดเช่นเดียวกันลอยจิตลอใจไปก่อความคิดโดยขาดสติไม่รู้จักความคิดอันนี้พูดถึงความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดไอ้ที่มันจอนมาสู่จิตเคยหมนั่งเฉยเฉยเนี่ยเดี๋ยวมาลนะเรื่องที่มาคิดมีหม เป็นความคิดที่เราตั้งใจคิดไหมไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดไอ้เรื่องที่อยากจํากับลืมไอ้เรื่องที่อยากลืมกับจําไอ้ควคิดแบบ น, นี้หรือว่าคำเกตจะเรียกว่าความลักคิดโอ้มันตรงมากเลยลักคิดขโมยคิดอยากข้ามมันข้ามคืนโกรธข้ามมันข้ามคืนเคยไหมอยากดูเหลือเกินโอ้ฟุตบอลแมตต์นี่นี่ ยังไม่ทันแข่งเลยวันนี้เริ่มปรุงเลยวันที่หงุดหงิดนะมันกังวลใจไงไม่รู้นะไอ้ทีมที่เราเชียร์เนี่ยมันกลัวมันจะแพ้นี่ข้ามวันข้ามคืนนะเพราะขาดสติเนี่ยเวลาคิดมากๆเนี่ยมันก็เหนื่อยเหนื่อยไหมเน็ตเหนื่อยก็เป็นทุกข์ว่าความคิดแล้วทีเรื่องนั้นยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยแต่คิดปรุงแต่งไว้ล่วงหน้าตื่นเช้ามาต้องพูดให้ได้ต้องพูดได้เนี่ยมันค้างคาใจมาทั้งคืนแล้ว เป็นทุกขทั้งคืนล้ตื่นเช้เามาบางทีไม่มีอะไรเลยล้าความคิดเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์นะถ้าเราขาดสติคนที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติเนี่ยจะรู้ทันความคิดที่มันลักคิดในภาษาธรรมเรียกว่าเจ้าตัวสังขารสังขารแปลว่าการปรุงแต่งสังขารไม่แปลว่ร่างกายอย่างเดียวนะแปลว่าการปรุงแต่งก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยก็คือหนึ่งสังขารมีทั้งถั่วงอกผักชี เส้นมีเส้นใหญ่หมูเนื้อน้ำผงชูรสก๋วยเตี๋ยวก็เป็นสังขารคือการปรุงแต่งใจเราก็เช่นเดียวกันมันคิดรักคิดชังคิดโกรธมันปรุงแต่งเหมือนทีวีที่เปิดอยู่เรื่อยๆทีวีนี่มีอะไรไหมไม่มีอะไรหรอกมันปิดอยู่คือทีวีแต่พอเปิดป๊บนึ่เดี๋ยวมันมีเรื่องแล้วใช่ไหมใจเราก็เช่นเดียวกัน ใจเราปกติเหมือนทีวีที่ปิดแต่เผลอสติเดี๋ยวทีวีในใจเปิดแล้วหลายช่องเลยนะบางช่องมีรักบางช่องมีตลกบางช่องมีกีฬาบางช่องมีข่าวบางช่องมีแต่โฆษณาใจเราก็เหมือนทีวีแล้วคนมีสติจะต้องรู้ทันรู้ทันความที่ที่มันปรุงแต่งแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดผมยังเคยแนะนําเลยญาติธรรมบางท่านมาถามว่า เราเองเนี่ยคิดแต่เรื่องทุกข์มีความทุกข์ในกิจใจบ่อยจะทำอย่างไรดีก็เลยเคยบอกว่าลองมองโลกในแง่ดีสิมองยังไงมองในแง่ดีท่านเคยมีทีวีไหมท่านดูทีวีช่องเดียวหรือเปล่าช่องไหนที่ท่านชอบเนี่ยท่านดูตรงนั้นใช่ไหมและช่องที่ไม่ชอบท่านล่ะท่านเปลี่ยนเปลี่ยนช่องทีวีได้ฉันใดก็เปลี่ยนใจคิดดีได้ฉันนั้น แต่ทำไมเราคิดดีไม่ได้เพราะเราขาดข้อมูลขาดข้อมูลข้อมูลมาจากไหนมาจากธรรมะที่เราศึกษาอันนี้แหละคือข้อมูลทําให้คิดดีเคยแนะนําคนที่ไม่เตลุสติไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์ต่างๆที่มันลักคิดมากมายสารพัดอย่างแต่พอฝึกสติแล้วเนี่ยมันจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ความคิดแบบที่มันมาปรุงแต่งนะ คิดแบบตั้งใจคิดมีสติคิดเคยมเราเคยตั้งใจคิดวางแผนงานเคยหมนั่นท่านคิดด้วยสติเคยคิดแก้ปัญหาไหมนั่นคิดด้วยสติคิดวางแผนคิดแก้ปัญหาเป็นผู้ที่ใช้ความคิดไม่ได้ถูกความคิดมันใช้ต่างกันนะใช้ความคิดมันจะเป็นระเบียบนะเมื่อเราหยิบหนังสือน้องสมุดเนี่ยเอามาอ่าน อ่แล้วก็เก็บใส่ไว้ที่เดิมคิดด้วยสติก็จะเป็นแบบนั้นจะเป็นระเบียบจะคิดไปเป็นระเบียบเมื่อเวลาหยุดคิดก็หยุดได้โดยที่ไม่ต้องไปนอนไม่หลับเพราะความคิดคิดด้วยสติจะเป็นระเบียบอกันจะเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้ต่างกันถ้าปรุงสติแล้วเนี่ยจะคิดอย่างมีสติคิดอย่างเป็นระเบียบคิดแล้วไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโทษเขาเรียกว่าคิดเป็นคิดเป็นคิดยังไง คือคิดแล้วใจเราไม่เป็นทุกข์ถ้าคิดแล้วยังเป็นทุกข์นี่แสดงว่ายังคิดไม่เป็นนะคิดแล้วต้องรู้ว่าคิดแล้วถ้าทําอย่างนี้จะเป็นยังไงผลจะเป็นยังไงถ้าพูดอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างไรอันนี้คือความคิดทีดุจใสติถ้าเป็นผลดีก็จะทําก็จะพูดถ้าไม่ดีก็จะหยุดทันทีบางคนบอกว่าเขารู้แล้วทำไม่รู้มากมาบาปไม่ดีโลคไม่ดีก่อไม่ลงไม่ดีรู้แต่ก็ยังทําอยู่ั แสดงว่าขาดสตินะถ้ากาสตินี่แสดงว่ารู้แล้วจะต้องทำตามที่คิดแต่ถ้ามีสตินี่รู้แล้วเนี่ยจะระงับเลยถ้าไปทุกข์เป็นโทษทำให้เดือดร้อนหยุดทันทีสติจะสามารถยับย่งกันได้เมื่อจิตมันฝึกดีแล้วเนี่ยจิตจะไม่เครียดนะคนมีสตินี่จะไม่เครียดจะมีแต่ความผ่อนคลายแล้วการทํางานเนี่ยทำด้วยสตินี่จะไม่ค่อยเครียดนะ จ ะ, จะไม่หุดหิจะไม่อดอัดขัดเคืองจิตจะผ่องใสมันจะสงบเย็นแล้วก็จะเกิดความมั่นใจได้ที่พึ่งสติสามัญญะเนี่ยเาเรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นธรรมโอสถเป็นที่พึ่งท่านจิตใจได้ผูเ้เองก็ฝึกอย่างนี้ล่ะฝึกสติอย่างนี้ละจึงเกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตแล้วก็ เหมือนอย่างเราได้พบสิ่งหนึ่งที่เราสแสวงหามาแล้วก็ไม่ต้องแสวงห า, อ, างอีกแล้วเหมือนอย่างกับเราสแสวงหาผู้หญิงสักคนหนึ่งบางคนทํำงงเลยแสวงหาผู้หญิงสักคนหนึ่งที่ถูกใจเราเดี๋ยวนี้พบแล้วสวยที่สุดรวยที่สุดความประพฤติดีที่สุดแล้วก็ฉลาดที่สุดไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนอีกแล้ว นางสาวสุญตาสุญตาแปลว่าความว่างพบแล้วนี่แหละคือสิ่งดีที่สุดอะไรก็ไม่ต้องการคือความสงบหรือความเป็นปกติของจิตใจเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ปรารถนานี่แหละเป็นธรรมโอสถแล้วเรื่องร่างกายเนี่ยไม่กังวลเลยนะไม่กนนังวลจะมีโรคไปค็เจ็บรุนแรงไม่เป็นไรเมื่อจิตดีแล้วเนี่ย เรื่องอื่นนี่จะไม่ค่อยกังวลก็ดูแลร่างกายไปตามสภาพสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็พลอยดีด้วยนะเพราะจิตกับกายนี่เขาสัมพันธ์กันจิตไม่เครียดร่างกายมันก็ไม่เครียดมันสร้างภูมิต้านทานทางร่างกายได้ด้วยพมกเองี็ไม่ค่อยมีโรคแทรกอะไรครั้งแรกคิดว่าเราคงจะไม่รอดนะแค่หปีกงจะเสียชีวิตเพราะเราผิดปกติกับคนอื่นต้องมีโรคแทกซ้อนมากมาย รอบบางอย่างที่หมอบอกว่าระวังให้ดีเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยเป็นและผมก็ไม่เคยระวังก็ปฏิบัติ ท, ทํารักษาจิตไปเรื่อยห้าปีนี่มันยังไม่ตายนะพอเข้าปีที่หกเนี่ยโอ้โหนี่ยังมีโอกาสรอดเอาละคงจะไม่เกินสิบปีอยู่ต่อไปเข้าปีที่สิบเอ็ดโอ้โหนี่ยังไม่ตายอยู่รอดถึงปีที่สิบหกนะโอโ้ยังรอดต่อวีซ่าทีละห้าปีห้าปีตอนนี้ไม่ได้นึกถึงไมแล้ะ ดูท่าจะอยู่อีกนานเนี่ยปฏิบัติทางกิตแตมันช่วยทั้งใร่างกายแล้วมันดูแลร่างกายโรคแทรก ซ, ซอนก็ไม่ค่อยมีจะอยู่ก็ได้จะตายก็เป็นอยู่ก็มีความหมายตายก็มีความหวังนี่แหละคือการใช้ชีวิตที่เป็นกําไรมาเรื่อยๆพอเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยเท่ากับกําไรชีวิตแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตที่เป็นกําไรแล้วใช้ส่วนกําไรของชีวิตไม่ต้องไปประกันชีวิตที่ไหน ปฏิบัติธรรมนี่แหละประกันได้ว่าไม่ตกอบายภูมิเป็นประตูอายาภูมิได้อายภูมิคือเกิดไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเรามั่นใจไหมว่าจะไม่เกิดตรงนั้น <c oughs> ไม่มั่นใจใช่ไหมไม่เป็นไรมารับธรรมการกับบริษัทประกันชีวิตพุทธบริษัทแล้จะเกิดความมั่นใจธรรมโอสถเนี่ยถือว่าเป็นแพทย์ทางรอดที่ทุกคนควรจะเลือก ที่จะมาใช้ในชีวิตของเรานะทําให้เรามีความสุขบางคนอาจว่าเราไม่มีความทุกข์อะไรเราต้องมาปฏิบัติธรรมทำไมไม่ปไปเลยดีแล้วที่ท่านไม่มีความทุกข์อนุโมทนาแต่อย่าประมาทนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้กับเราทางนั้นเลยอย่าประมาทฝึกปฏิบัติธรรมเขาไว้สนใจธรรมะเอาไว้เอาไว้เป็นภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเพราะเราไม่เคยประกันตัวเองว่าต่อไปจะเป็นยังไงใช่ไหม เด่นี้มีอะไรที่หลายอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแก้ปัญหาเวลามราเกิดปัญหาแล้วก็เราจะกลายเป็นคนอนาถานะคนอนาถานี่คือคนไร้ที่พึ่งอย่างน้อยเราก็มีความสุขมากขึ้นถ้าเราได้ปฏิบัติทรรมมีความสุขและแถมแบ่งปันคนอื่นได้ด้วยเคยไหมมีคนมาถามปัญหาชีวิตปัญหาสุขภาพเราก็ชี้ให้หมอแต่ปัญหาชีวิต เราเชี้ให้ไขเราช่วยได้สาธารณสุขช่วยแจกความสุขกับเขาบ้างอย่างน้อยให้คําแนะนํำเขาเวลาเขามีความทุกข์มาหาเราจะต้องมีความคิดว่าเราช่วยเขาไม่ได้ทำไมเราช่วยเขาไม่ได้ทําไมเราจึงช่วยเขาไม่ได้เพราะเราไม่มีข้อมูลเรื่องธรรมะไม่มีข้อมูลเรื่องการช่วยเหลือตัวเองเพราะคนเดี่ยวนี้นี่มีความสุขมากหรือทุกข์มากตอนเนี้ย คนทั่วไปเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมีความทุกข์มากความสุขใบหน้าไม่ค่อยยิ้ม แ, แ, แย้มแจ่มใสเลยมีความทุกข์มากอารมณ์บูด ต, ตอนเช้าอารมณ์เน่าตอนเพลิอารมณ์เหม็นตอนบ่ายบางวันเป็นแม่พระบางเวลาเป็นแม่มดจิตใจคือเราลองฟูฟูฟฟแฟบแฝบคิดว่เป็นปกติไม่เกรงใจคนพิการเลยเพราะเขาไม่มีความสุขไม่เกรงใจคนพิการบ้างเลยเราเดินไม่ได้เรานั่งยิ้ม แต่เขาเดินได้เขาซ่อมหมอนี่โอไม่เกรงใจเราเลยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะใจนี่เครียดมากแล้วเวลาแก้เครียดคนสมัยนี้เขาแก้ยังไงไหมเวลาเครียดไปกินขนมหวานโอ้แล้วกันเลยทุกครั้งที่เครียดกินขนมหวานแล้ววันเราเครียดกี่ครั้งอ่ะพุทบอลแพ้ก็เครียดเธอไม่เชียร์บอลแบบฉันก็เครียดเธอไม่เล่นพักเดียวฉันก็เครียด เวลาเครียดก็ไปกินขนมหวานมันก็อ้วนเลยเสียสุขภาพจิตยังไม่เพียงพอเสียสุขภาพกายด้วยใช่ไหมไม่ยุติธรรมต่อกันกายกับจิตเนียเข้าเรียกว่าอะไรมันเบียดเบียนกันอ่ะยังเคยแนะนำเลยคนที่เวลาเครียดเรากินขนมหวานนะเอางี้สิเวลาท่านเครียดทั้งโกรธอย่าไปกินขนมหวานไปกินบัวรพิษเป็นสมุนไพรช่วยด้วยไปกินบัวรพิษตัมันจะได้ไม่อยากเครียดทําไมใจเราจึงเครียดมันต้องมีเหตุ อย่างน้อยต้องมีอะไรจรมาสู่จิตใช่ไหมจิตอาจจะมีสารพิษก็ได้ร่างกายเนี่ยมันมีโรคไปแค่เจ็บส่วนหนึ่งคือมีสารพิษโรคมะเร็งเกิดจากความเครียด ก, ก็ได้นะมะเร็งในจิตใจทําให้เกิดมะเร็งทั้งร่างกายได้นะร่างกายที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากสารพิษก็ได้สารปนเปื้อนใช่ไหมจิตใจก็เช่นเดียวกันที่มันเป็นทุกข์มันเครียดเพราะมันมีสารพิษมาในจิตใจ ผมนักจะเรียกว่าสาลคิดศารพิษก็คือสารคิดถ้าไม่คิดจิตไม่เครียดถ้าคิดเมื่อไหร่เครียดเมื่อ้รแต่ถ้าคิดอย่างวิสติเอาชนะความเครียดได้ทีนี้เวลาขับสารพิษเนี่ยด้านร่างกายอาจจะทานอาหารเพื่อสุขภาพผมเคยไปอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะที่วัดป่าสุกโตเนี่ยจะมีนักปฏิบททัติธรมเนี่ยไปปฏิบัติเรื่อง ย่าดิธรรบางท่านเนี่ยอยู่ไปไดิบะธรรมแล้วก็ขับถารพิษในนั้นร่างกายด้วยอดอาหารสิบวันคือไม่อดเลยเหรอกคือทานเฉพาะกล้วยน้ําปลาน้ํามะพร้าวทานน้อยๆเป็นการขับสารพิษในนั้นร่างกายซิบบัน้นท้าทายตัวเองทําได้ด้วยร่างกายในสู้ผอมแต่จิตใจในสดชื่นไม่เป็นอะไรนะน้ําหนักลดลง สู้พอไม่หน่อยแต่จิตใจสดชื่นเพราะอะไรเพราะขับสารพิจานล่างกายออกและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาปฏิบัติทำจิตสติให้สติสมัมมาชนยะเนี่ยขับสารพิจาณาจิตใจทําได้สติทำหน้าที่ขับสารพิจารณาจิตใจการขับสารพิธนี้ไม่ได้ไปทําอะไรมากนะแค่มีสติรู้ว่มันคิดรู้เฉย ไม่ต้องไปขจัดความคิดไม่ต้องปรุงแต่งตามความคิดรู้เฉยๆจิตที่รู้เฉยๆเนี่ยทำให้ความคิดเนี่ยมันดับไปได้เห็นไหมไม่ต้องทำอะไรจิตที่รู้เฉยๆเนี่ยทำให้ความคิดมันดับไปแต่ถ้าเราไปดึงเอาไว้หรือไปปรุงแต่งต่อเติมมันก็ไม่เฉยๆแล้วม้อยจะปรุงแต่งทัางวันทั้งคืนข้าว ม, มันข้าวคืนถ้าเราไปผลักสยิ่ยงแล้วเลยใครเคยนอนไม่หลับบ้าง เราไม่หลับเพาเราคิดใช่ไหมเพราะอยากให้มันหลับใช่ไหมมันจึงไม่หลับเพราะอยากให้มันหลับมันจึงไม่หลับเนี่ยเราไปเติมสารพิษเข้าไปแล้วเท่ากับเอาน้ำมันไปราดกองไฟอยากให้มันหลับมันไม่หลับเราบอกว่าไม่หลับก็ไม่หลับช่างหัวมันเดี๋ยวมันก็หลับการที่เราไปบังคับไปกดข่มเนี่ยทําให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันรุนแรงขึ้นมาเคยห้ามความคิดได้ไหมห้ามความโกรธได้หรือเปล่า ความโกรธเด็กไม่อยากโกรธแต่มาทํำไมจึงโกรธมันโกรธครั้งแรกก็ทุกอยู่แล้วไปห้ามมันทุกครั้งที่สองห้ามไปสําเร็จทุกครั้งที่สามดับเบิลทุกเลยแต่ถ้าเราดูเจยๆโกรธเฉยๆดูเฉยๆเหมือนดูไฟที่กำลังไหม้เราก็ไม่ร้อนนะเดี๋ยวมันก็ดับไปเองการผึกสติบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้รู้เฉยๆจิตจะเป็นปกติ นันเวลาเราไม่มีความสุขในชีวิตเนี่ยหรือการทํางานไม่มีความสุขเนี่ยลองทํางานด้วยสติเลยด้วยความรู้นนรู้ตัวอยู่ปัจจุบันอยู่การทํางานเนี่ยมันมีความสุขได้อยู่กับทํางานนี่แหะแต่ถ้าว่าใครก็ตามที่ยังอยากจะฝึกให้ดีกว่านี้เนี่ยต้องปลีกตัวปลีกวิเวกสักหน่อยเวล า, าเราป่วยไข้เนี่ยทาไมต้องอยู่โรงพยาบาลทําไมต้องแยกตัวความทุกข์เป็นเช่นเดียวกันถ้าใจเป็นทุกข์ลองปลีกตัวสักหน่อย ให้โอกาสให้เวลาตัวเองเท่าไหร่ไปฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยฝึกลงทุนฝึกปฏิบัติธรรมห้เตือนสติเท่าไหร่ไปรักษาใจให้เป็นปกติแล้วค่อยเข้ามาทํางานด้วยจิตที่เป็นปกติจิตมันจะเปลี่ยนใหม่นะจะกลายเป็นคนใหม่ได้นะทา้าร่างกายเราก็แก้ไขไปจิตใจเราก็ต้องแก้ไขด้วยฝึกสตินี่แหละแก้ไขชีวิตให้ดีได้จะรักษาใจให้เป็นปกติใจที่เป็นปกติเนี่ยเป็นใจที่มีความสูงที่สุดเลย คำว่าปกติของใจนี่ไม่ใช่ไม่คิดอะไรนะคิดเวลามีความชอบใจมามีสติรู้เห็นเวลาความไม่ชอบใจมากระทบมีสติรู้รู้เพื่อรักษาใจใ้เป็นปกติและทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปใจก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมมีสติรักษาอยู่เป็นยามรักษาอยู่ไม่ใช่คิดเอานะคิดเอาไม่สำเร็จวิธีการแบบนี้ต้องลงมือปฏิบัติ ไม่คิดเอาว่าฉันปกติแล้ววางท่าเป็นปกติ <c oughs> ทําท่าสร้างภาพเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์ภายหลังมีเรื่องเลหนึ่งจะเล่าไปฟังมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์เซนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเซนนี่เป็นศาสนาพุทธนิกายหนึ่ ง, งนิกายเซนมีการบรรลุธรรมแบบเฉียบพันธ์อาจารย์เซนเนี่ยก็มีลูกศิษย์มากมายกําลังนั่งฉันอาหารอยู่เกิดแผ่นดินไหว เกิดแผ่นดินไหวโอ้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยวิ่งหนีหมดเลยอลลามาหเลยอาจารย์จะลุกวิ่งก็ไม่กล้าลุกวิ่งกลัวจะเสียภาพพระอาจารย์หมด <c oughs> ก็เกยนนั่งซดน้ําชาที่จริงใ จ, งจยอยากจะวิ่งนะแต่ไม่กล้าวิ่งก็ราะลูกศิษย์เขาตำหนิอ๋อก็หลังจากวันนั้นผ่านไปสามวันไม่เกิด อ, อะไรขึ้นลูกศิษย์ก็มาถามว่าอาจารย์ครับจิตที่นิ่งไม่ไหวติงเนี่ยคืออะไรครับลูกศิษย์ถามนะอาจารย์ก็ได้ทีเห็นไหม วันนั้นอนะเวลาเป็นดินไหวกาลังทานอาหารอยู่ฉันอาหารอยู่เนี่ยเป็นดินไหวเนี่ยพวกท่านไม่ได้นั่งอยู่กันที่โต๊ะใช่ไหมท่านลุกหนีใช่ไหมแต่เราเนี่ยนั่งดื่ม น, น้ําชานั่นแหละคือจิตนิ่งไม่ไหวติงรุสีก็บอกว่าอาจารย์ครับวันนั้นอาจารย์ไม่ใช่จิบน้ําชานะครับอาจารย์จิบแก้วสีอุ่น สร้างภาพวันนิง่งไม่ไหวติงจากข้างในนี่วุ่นวายนั้นถ้าเราไม่ได้รู้ธรรมะจากการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการสร้างภาพรู้ธรรมะต้องรู้จากการปฏิบัติไม่ใช่รู้จากตำรารู้จากตำรานี่ไม่จริงคิดรู้ยังไม่ใช่ของจริงต้องปฏิบัติเพื่อสัมผัสกับของจริงแล้วมันจะนิ่งมันจะเป็นปกติได้จริงๆเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยต้องทําอยู่สองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือทําหน้าที่ภายนอกกับหน้าที่ภายในหน้าที่ภายนอกก็คือเนี่ยพวกท่านเนี่ยทำหน้าที่เป็นบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขก็ทําหน้าที่สาธารณสุขให้ดีที่สุดกลับไปบ้านเป็นคุณแม่เป็นภรรยาเป็นสามีก็ทําหน้าที่ดีที่สุดโดยสมมุติโดยหน้าที่เป็นอะไรก็ตามก็ทําให้ดีที่สุดนั่นคือหน้าที่ภายนอก แต่ลืมว่าต้องมีสติทําหน้าที่ภายในด้วยรักษาใจให้เป็นปกติด้วยการฝึกสติเสมอๆเห็นไหมหน้าที่ข้างนอกทำดีที่สุดคือการทํางานโดยหน้าที่แต่หน้าที่ภายในคือการวิสติรู้ตัวทั่วพร้อมรักษาใจใเป็นปกติเป็นการฝึกฝลจิตใจเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ภายในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการฝึกที่จิตหน้าที่ข้างนอกคือการหน้าที่เป็นธรรมดาโดยสมมุติ ทำได้สองอย่างในที่เดียวกันเลยอยู่ที่ทํางานก็ทําได้บางคนบอกว่าไม่มีเวลาไปปฏิบททัติธรรมท่านอาจารย์พุทธากล่าวไว้ว่าการปฏิบัติธรรมคือการทําหน้าที่ทําหน้าที่ไปเพราะมกัการปฏิบททัติธรรมรักษาใจเป็นปกติคือการปฏิบททัติธรรมทำที่น้อยที่สุดคือการปฏิบัติหน้าที่สองอย่างเลยจะได้สองอย่างในที่เดียวกันเลยงานก็ได้ใจก็ดี ได้ปฏิบัติธรรมไปการทำงานเลยได้ทั้งงานได้ทั้งใจถ้าใครทำหน้าที่โดยไม่ปฏิบัติธรรมภายในใจเนี่ยได้แค่งานนะไม่ได้ใจเคยไหมทำงานยังดีแต่ใจยังเป็นทุกข์ได้งานแต่ไม่ได้ใจถ้าปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยขณะปฏิบัติธรรมเนี่ยทำหน้าที่แล้วก็เจริญสติไปเรื่อยเนี่ยได้ทั้งงานได้ทั้งใจงานข้างนอกดีใจก็เป็นสุข บางค น, นได้แต่ใจแต่ไม่ได้งานมีไหมไอ้นั่นก็เป็นใจของเราไอ้นี่ก็ยึดบั่นถือมั่นไม่ได้ไอ้นี่ควรจะปล่อยวางไม่ทําอะไรเลยใจดีแต่ว่างานเละแต่ตัวเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะตัวผมเองผมทําอะไรไม่เป็นอทําใจอย่างเดียวจึงไม่ค่อยมีผลงานอะไรทําใจไม่ทุกอย่างเดียวเพียงพอแล้วอยู่ที่ใจเป็นสําคัญถ้าจิตดีเนี่ยมันช่วยรักษากายให้ดีด้วย นี่แหละแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์ทางรอดเนี่ยคือการฝึกฝนจิตใจแม้ร่างกายจะจะค่อยได้ป่วยก็อย่าลืมอย่าให้ใจมันป่วยด้วยสำคัญที่ใจนี้ก็บอกว่าทุกสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความทุกข์รู้สึกนาเอาละนะพูดไปเดี๋ยวเวลาก็จะเรียนน้อย ก็รู้สึกยินดีที่ผมได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมมาเป็นกัลยาณมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากไม่มากก็น้อยนะเวลาสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้กับชาวคณะบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นทุกท่านจงมีความเจริญในธรรม มีสติปัญญารักษากายรักษาจิตให้พ้นเจรจากความทุกข์แล้วก็มีชีวิตที่มีมีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด